เหมือนสมัยครางพุทธเจ้าสมัยเป็นฤาษีเป็นดาบทเป็นนักปวดใช้เวลาตัง้งหกปีสุมหาเอารุ้นเดาไปผิดทางเสียเวลาหกปีพระองค์ก็บอกว่าทางสุดตรง ทางตัดทางถึง่านได้ถึงจุดหมายปลายทางก็จะได้เส้นทางนอดร่วมลอ ด, ลอ ด, ลอดตายเราจึงสะดวกแล้วทุกวนนนการศึกษาการปฏิบัติเราก็เอาตาม ที่มันถูกต้องอย่าให้เสียเวลาที่เจ้าก็แสดงไว้โดยย่ว่าว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกมีเท่านี้วาราหะเวปันจขันธาว่าหังสะ อันก็ไม่ทุกการที่จะวางได้ต้องฝึกหัดให้มันเป็นการฝึกหักให้เป็นนี่ก็ไม่ยากพระพเจ้าก็บอกไว้เลยว่ามีความเป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์เมื่อใดภิกษุต้องหลายมีสติ มัจลาดตามไม่ทันอานพิดารก็มีแปดมนรีพัญญาว่าโดยย่อมีน้อยน้อยไม่มากเหนือนสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเดินไปสู่ป่ากับหมู่พระสงฆ์จำนวนมากป่าดีน้ำใสไหลเย็น เงียบสงบแล้วองค์ก็กำใบไม้ขึ้นกำเมืองชูให้พิกษุนต้องหลอยดัวพิกษุนต้องหลอยใบไม้ในป่ากับใบไม้กระเมอเดียวอันไหนมากกว่ากันพิสูจนต้องหลอยก็ตอบว่าใบไม้กระเมอนิดเดียวไม่สามารถที่เปรียบเทียบใบไม้ทั้งป่าได้นี่หลยพิกษุน์ต้องหลอย สิ่งที่เราลู่มากเท่ากับใบไม้ทั้งป่าแต่เรามาสอนพวกเทอทั้งหลายเพียงใบไม้กรเมรอเดียวนี่ทำยังไงที่จะเป็นใบไม้กรเมรอเดียวเราจะทำตรงไหนเราก็ไม่ต้องคิดเถอะเวงมีสติสติมันคืออะไรคือความลู่โลบโลภมีหน้าโลบโลภ ถ้ามีความหลงก็ไม่รอบมันก็จุยกระจายมีสติเป็นหน้ารอดอยู่โดยชอบอยู่แบบไม่สตินั้นหลงรู้เท่านี้เองมันทุกข์ก็รู้เท่านี้เองอะไรที่ไม่ใช่ของรู้เปลี่ยนมาเป็นวามรู้สภาวะที่รู้สึกตัวเฉลยได้ทั้งหมด เป็นตัวเฉลยเหมือนสูตรสูตรคูณสูตรคณิตศาสตร์เอาพ่างองออกมีโจทย์มีจำงวลยมันก็ได้หลักลงตัวถ้าหลงไม่ลงตัวถ้ารู้ลงตัว มันสุขก็รู้มันทุ ก, ก็รู้หลงตัวอันสุขไม่เป็นสุขแล้งอันทุกไม่เป็นทุกกลายเป็นสภาวะที่รู้เนี่ยอยู่โดยชอบอยู่แบบเนี่ยถ้ารู้แล้วเป็นไรมันก็จบแค่นั้นก็เลยขอพูดต่อไปรู้แล้วไม่เป็นดูมันเห็นสุขรู้มันก็ไม่เป็นสุข มันเป็นสภาวะที่รู้ไปมันทุกข์รู้สึกตัวมันก็ไม่เป็นทุกข์เป็นภาวะที่รู้ไไม่เป็นแล้วก็เคลื่อนหลุดพ้นแล้วก็หลุดพ้นจากภาวะที่เป็นเมื่อไม่เป็นมันก็ไม่มีพวพไม่ชาติชินเวทชิ่นกลงเคยกูด ก็รู้สึกตัวความโกรธกลายเป็นความโกตตชิ่นชิ่นเวนีนชั่วโมงนี่ไม่หลงชั่วโมงหน้าก็ไม่หลงชั่วโมงนี่หลงชั่วโมงหน้าก็หลงไม่ต้องมีเปลนมีกรรมต่อไปกมหลงติดตามไปความทุกข์ติดตามไปความโกรธติดตามไปความโลภความรักความเกยียดชังมากมายติดตามไปที่ว่ามีภพ มีภพมีภูมิวมความหลงก็เกิดภพได้หลายภพธ <c oughs> รรมภพอะไรต่งตางๆมีภพที่ภาษาสาสนเาเรียกว่าภพสี่ที่ว่าอะไร สังเสรทชะขันธ์ทชะโอปปาติกะคิดเหรอพพุทธอาสาไม่รู้แต่ว่ามันก็อ้างอีกนิดหน่อยมันชุม่มมันไม่แห้งสังเสรทชะมันเปียก กัาช่กช า, าก็เปียกชืลอราพุยะก็เปียกโอปะติกะก็เปียกชุม่มเกิดได้ถ้าสุข ก, ก็เกิดสุขมันชุม่มถ้าทุกข์ก็เกิดทุกข์ถ้าโกรธก็เกิดโกรธถ้าโรคเกิดโรคถ้าหลงเกิดหลงรุ้ยไปมันชุม่มถ้ามันแห้งซะ มันก็ไม่มีเชื่อล้ตาเลยเปรียบเทียบว่าเปรเียบหลอดด้วยจะเปรเียบหลอดฮะขี้น้อยน้อยนาน้อยหนามันแห้งติดต้นมันไม่มีเชื่อล้มต้นก็ไม่ต้องมีพลังงานต้องเอาน้าไปหลอเลี้ยง มันติดอยู่เฉยๆเป็นจิริยาตาเห็นรูปเป็นจิริยาหูได้ยินเสียงเป็นจิริยาจมูกได้กินเป็นกิริยาที่ในรถเป็นจิริยาจีริยาไม่เป็นกรรม <c oughs> อะไรได้ว่าการตัดกรรมัมถ้ามันเปียกมันชุม่มมันก็ไม่เป็นการตัดกรรมัมเป็นกรรมที่มีผล น, นั่นน่ะเนี่ เขาเจ้าจึงบอกเรากอยสว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนโลภสุขทุกข์ก็สักว่าสุขทุกข์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนโลภคิดก็สักว่าจิตที่มันคิดไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนโลภทำมันเกิดข้องามทั้งกายทั้งใจก็เป็นสักว่าทำทำก็ไม่อะไรเยอะ กุศลความสุขสความปิติความอิ่มใจเฉลียวเฉลียวหลอดอกุศลความเศร้าหมองง่วงหงอนอนก็เป็นจักว่าลธรรมไม่ใช่ความง่วงความเหิวความสุขควา ม, วามอะไรต่างๆความอิม่มเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นจักแต่ ว, ว่าเนี่ยก็คือคือมันก็อย่างเนี่ย มันไม่ยากนั่งอยู่เฉยๆก็บรรลุทับได้ว่าจะอย่าเป็นสักว่ามาอะไรถ้าสักว่าเหมือนกับบอกคืนเหมืนอนโยงมาต่อมแต่เราอยู่ในมุกโ <c oughs> ยมก็ไม่ได้กัดเราแม้มันบินอยู่ข้างนอก เท่าไหรเท่าไรมันก็ไม่ไม่ถึงเราเพราะมันมีมุ่งคนมีสติเหมือนนอนในมุ่งมีสติันก็ไม่มีอะไรที่จะมาเข้าถึงได้มีแต่ภาะวะที่รู้วภาวะที่รู้มันไม่เปลี่ยนมันชักสะพานมันมี ที่พึ่งอันกเกษมที่พึ่งอันสูงสุดจึงพ้นจากทุกขจากเคเจ็บตายได้ถาวะเนี่ยมันเลยไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรอยู่เฉยๆนอนอยู่ยือนอยู่นั่งอยู่โดอนอยู่อยู่เฉยๆลู้เฉยๆลู้เฉยๆชีวิตทั้งชีวิตเป็นจิ๋ว ไม่ชุ่มไม่เปียกไม่มีรสชาติรสพระธรรมรสแบบเนี้ยเป็นรสชาติที่ที่ชนะรสทั้งปวงสัพพลัสังธรรมลัสอะไรสัพพลัสังสมมรลัโสโเด ขีณาติลถพระธรรมย่อมชันลถทั้งปวงอย่างเราสวดธรรมป่าหังเนยเยมันดะรลดดยเยื่มพุมจรนญนี้หน้าดด่มเหมือนมันดะยอดโอชาแห่งโครดยอดโอชาภาวะที่ไม่เป็นเลยมันยอดโอชา เพราะที่เป็นมันเหี่แห้งมันหิวไอหิวมันยังเป็นเป็นผู้สุขหิวขวมสุขเป็นผู้ทุกข์ก็หิวขวมทุกข์ <c oughs> เป็นผู้โกรธก็หิวขวมโกรธมันหิวถ้าหิวไม่รู้จกอิ่มถ้าไม่หิวม ก, ม, มก็อิ่มอิ่มคือดีหมดเละคือไม่เป็นอะไร ชีวิตมาตรฐานมาตรฐานของชีวิตอยู่ในในตัวมันเองมันไม่ยากหัดก็หั ด, ห ด, หดตรงเนี้ยมันหลงก็บลูกง่ายๆอยงเนี่ยถ้าหลงไปหลงยากยากมากสุขเป็นสุข ก, ก็ยากเป็นการบ้านไปเป็น เราก็ตกเป็นสุขเราก็เป็นจำเลยของความสุขควมสุขก็บังคับบับใสเราควาทุกข์ก็บังคับบับใสเรามันยากให้สัมผับตัวดีๆแล้วมันจำเบามันไม่มีพลังวางแล้วไม่เป็นคือวางกันตั้องให้เป็นของหนัก ได้เจ้าวางของหนักลงเสร็แล้วต้องมาหยิบโยฉ่วยเอาของหนักขึ้นมาหยิบแล้วก็ไม่มีอีกแล้วจิตก็เลยพูดให้มันเรียกว่าดีก่าโตไปอีกจิตของเราถึงแล้วซึ่อสภาพอิไหลปองแต่งไม่ได้อีกต่อไปไม่พอเท่านี้ไม่พอเหมือนถึงแล้ว อนู่ดีก่าเพราะว่าไปเฉยๆนะแต่ไม่ไม่รู้นะอ่ะนู่ดีก่าคือไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกไปมันถึงแล้วซึ่งขวมชิ้นไปแห่งตันหนาไม่พอเอาไปอีกว่าอะไรต่อไปฮะไม่พอเท่านี้ไม่พอคือถึงนิพพานจบกันแล้ว พระาศัตดิ์ทิ้งของหนักหลงเสียแล้วมันมันไม่เข้าใจตั้งมาหยิบเขยอาองหนักขึ้นมาซ้ำาลงไปอีกคือจิตถึงแล้วชึ่งความสิ้นไปแห่งตัณนหนาไม่พอเอาเขปอีกคือถึงพระานไปไมร่รอดแผ่นดินสุดสุดแล้วจบแล้ว งั้นไฟมันเย็นแล้วมีอะไรอีกต่อไปเขาว่าเย็นนะ่ะสัมผัสตัความร้อนเป็นไงจำเขากกตรงวาความเย็นแปมันไม่มีรสชาติไม่ใช่เย็นเหมือนน้าแข็งนะเย็นเหมือนน้าแข็งนะ่ะจันตุ้มบังคับาไปลงต่อลงไปในานา้ําไปอกไปอบร้อน อบร้อนชิบนาทีอบเย็นสองนาทีเมื่อร้อนเมืซมอกมาก็ให้ลงไปแช่น้าเย็นมันก็เย็นได้ลงไปมันไดชั้นที่หนึ่งก็น้าเพียงเขาเย็นปวดแล้ววันได้ก็ที่สองน้าไปไหนได้ก็ที่สามไปได้ก็ทมุดลงไป โอ้เราลงไปสัมบัตเย็นเท่านี้ก็ไม่ไหวแล้วลงไปลงไปเย็น อ, อุ้ยไม่ไหวไม่ขึ้นมาเลยเดี๋ยวตั่เนี้ย